แสนใลตั้งใจศึกษาเพื่อวันข้างหน้าจะเอาความรู้ไปให้คนท้งบ้านเราต่อไปไม่อา้ใครเขาให้บ้านเราพัฒนามาเป็นที่หนึ่งสุขใจได้มี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 สู่ความรุงเรืองทั่วกันดำคูมต้นโตสู่แดดฝนไม่หวั่นออกดอกช่อนั้นแน่งบ้านงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่น บ้านเราพัฒนานำพาด้วยคนนาาุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถาบัาน นำพาด้วยคนนุณธรรมน้อมนําสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันถากสถานสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่อง รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันนะครับในวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ทาเนียบรัฐบาลเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนียงตรีนะก็บอกให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมคลารมอรนะกรณีที่นักข่าวถามว่ารัฐบาลจะยื้อเวลาให้48สวและสอสอ พลังประชารัฐนะร่วมเสนอชื่อเสนอยติต่อในชวนหลีกภัยประธานสภ า, าเพื่อส่งเรื่องให้ต่อให้สารน้ำนุนวินิจฉัยตีความร่างแก้ไขรัฐนุนสามฉ บ, บนะับว่าตรงนี้ น, นยีย ก, กปฏิเสธก็บอกว่าเป็นอำนาจของของของสมาชิกสภานะก็ก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงนะครับก็เป็นอิสร ะ, ะในส่วนของทางรัฐสภานะรัฐบาลก็จะไม่เข้าไปไปกา้าวนะครับนะ ตรงนี้นในที่ประชุมของคอร ม, มอเนี่ยพลเอกประยุทธ์กำชับว่าให้การประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณายัติร่างแก้ไขรัฐนูลวรรที่หนึ่งในวันที่1 7บ8พฤศจิกายนนี้ให้คอร ม, มอนำรีและก็ผู้เกี่ยวข้อง เ, เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะก็ย้ำว่าอย่าให้เกิดปัญหาสภาล่มนะครับแล้วก็กำชับให้นตรีให้ความสําคัญกับการตอบกระทู้ของสภาล่ะครับ เาะในตรงนี้นี่ก็คงจะมีการกล่าวย้ำกันไปนะครับนะว่าจะอย่างไงก็แล้วแต่นี่ก็คือกระ บ, บวนการเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูนนี่ก็ยังเดินไปนะครับเ ป, เป็นเรื่องของของสภานะครับนะ่ะที่อย่างอย่างอย่างที่บอกแล้วครับน่ะว่าก็มีการแบ่งส่วนอำนาจกันนะครับอำนาจนิติบัญญัตินี่ก็อยู่กับสภาบริหารอยู่กับรัฐบาลนี่แหละครับนะในส่วนของประธาน รัฐสภาอุณชวนหกีกภัยเปิดเผยวันที่11พฤศจิกายนที่รัฐสภาเขาบอกเปิดเผยถึงเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคณะกรรมการสมาครัฉันนะครับมีนักข่าวถามนะครับมีการเชิญอดีตนายงตรีมามาพูดมาคุยกันเนี่ย ว, ว่าจะเชิญมีการถามนักข่าวถามว่าในชวนจะเชิญพันธบทดรทักษิณชินวัตรหรือว่านางสาวยิ่งรัก ชินว่าอดีตนายุทธตีมาหาลือหรื อ, รอไม่เนี่คุณชวนปฏิเสธบอกว่าจะคุยกับอดีตนายุทธตีที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งก็ได้พูดคุยหาลือกันไปแล้วยกเว้นพลเอกจุสตินดาคราประยูนที่ป่วยอยู่จึงไม่สามารถที่จะพูดคุยได้นะครับแต่เพราะในตรงนี้เนี่คุณชวนก็บอกว่าจะต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยไปก่อนในส่วนของระยะยาวนี่ก็จะต้อง ป้องกันความขัดแย้งทางการเมืองก็คือในส่วนของฝ่ายการเมืองเนี่ยเป็นผู้กระทำให้เกิดความขัดแย้งนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ต้องไปแก้ไขนะครับนะเพราะต้องกันนะครับอย่างเช่นการที่มีมอบปีอะไรต่างๆไปต้านตัวบุคคลนี่ก็ไม่เห็นด้วยนะก็ต้องมีการพยายามที่จะมาพูดมาคุยกันคุนชวนเสนอว่าจะต้องมีการพูดคุยกันเจรจากันนะครับ และในส่วนนี้นีมีส่วนของสสหลายส่วนก็ถามบทบาทของสถาบันพระปกเกล้าแหะครับนะเพราะในส่วนของประธานรัะสภ า, าเนี่ยมอบหมายให้สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยนะครับไปไปไปไปหาโมเดลเกี่ยวกับเรื่องของอาการปองดองแหละครับว่าจะจะมีโมเดลอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้นี่มีการอภิปรายกันแล้วก็ในส่วนของศาสตราจารย์วิทิสารตันชัยนะครับก็เป็นคนที่ มานาเสนอมาชี้แจงต่อสมาชิกสภาก็บอกว่าโมเดลการสร้างความปลองดองของสถาบันพระบุกกล่าวก็หาลือในผู้ทรงคนวุฒินะก็มีการเสนอรูปแบบคณะกรรมการสมาชชันสองรูปแบบที่จะให้สภาเนี่ยพิจารณารับทราบนะครับก็คือมีอันแรกเลยคือคณะกรรมการเจ็ดฝ่ายนะครับซึ่ง ตรงนี้นี่ก็อยากจะให้ตั้งทันทีเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่กาลังเกิดขึ้นอันที่2ก็คือคณะกรรมการที่ปลอดจากฝ่ายการเมืองนะฮะจะเป็นผู้สงขนาวุฒิผู้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง1ชุดมาทำงานระยะยาวและออกแบบระบบป้องกันนะฮะและระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งในอนาคตนะก็เป็นเป็นข้อเสนอจากสถาบันพระปกเกล้านะซึ่งเป็น นะองค์การมหาชนเป็นองค์กรวิชาการที่สังกัดรัฐสภานะครับนะสังกัดรัฐสภาแลนะครับเพราะตรงนี้นี่คงจะต้องดนะูบทบาทของภาคส่วนนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนชวนหลีกภัยมีการเรียกประชุมวิปสฝ่ายนะครับนะขึ้นมาพูดมาคุยกันนะครับก็มาทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับมาครบทล่ะครับมาพูดมาคุยกันสวอด้วยนะครับมา พูดมาคุยกันหาลรือเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมในวันที่1 7 1เิพฤศจิกายนเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนู น, นะก็มีการหารือกันแล้วก็บอกว่าชวนประธานเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าตรงนี้นี่ก็ที่ประชุมขอให้นัดประชุมเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่องรัฐมนูญ น, นะครับที่กันมาที่การพิจารณาเสร็จแล้วนะครับนะ เพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยคงจะต้องดูส่วนกฎหมายที่ประชาชนเสนอมาคือฉบับไอรลอก็จะบรรจุเพียง2วาระเพราะฉะนั้นะตรงนี้นี่ก็เป็นการหาเลือกันก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้มีการลงมติช่วงเวลากลางคืนเพราะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมของของผู้ชุมนุมนะ ก, ก, ก็ก็มีการหาเลือกันด้วยนะครับในส่วนของสภานะครับเนกะี่ยวกับเรื่องกระ บ, บวนการก็ต้องดูวันที่ 17-18 พฤศจิกายนนี้นะครับนะที่จะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณายติแก้ไขร่างรัฐนูล น, นะครับมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อนะครับก็รับฟังเพลงสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องของการการการพิจารณา รัฐมนูลเนี่ยเราต้องดูนะครับเนีเพราะว่าจะมีการชุมนุมด้วยนะครับเนีเพราะฉสมาชิกที่จะพิจารณากันในช่วงวันที่1 7บ8จ็ดสิบก็คิดว่าหลายฝ่ายมองว่าก็อาจจะไม่มีความรุนแรงอะไรเพราะว่าเป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของในเชิงกฎหมายธรรมดานะครับะจะพูดจะคุยอะไรต่างๆกันก็คงจะต้องดูกันในในหลายภาคส่วนเหมือนกันนะว่าจะว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่คงจะต้องมาดูรายละเอียด ของข้อเสนอของหลายฝ่ายแล้วครับนะมีการจับตามองเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการสมารลรั์นะครับที่คุณชวนลีกภัยนำเสนอมาซึ่งมีอดีตนายกตีหลายส่วนเนี่ยก็ก็มีสสฝ่ายรัฐบาลบางคนออกมาคัดค้านนะครับว่าไม่ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นการกดดันผลเอกประยุทธ์นะฮะได้เหมือนกันเพราะตรงนี้นี่ก็มีการคัดค้านแต่ว่า อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะก็ก็ต้องในส่วนของสภาในคุณชวนก็ยังยืนยันนะครับว่าจะจ ะ, จ ะ, ะจะทำเรื่องนี้ต่อไปนะครับจะทาเรื่องนี้ต่อไปเพราะในตรงนี้นี่คงจะต้องดูในหลายภาคส่วนมารับฟังเพลงสักเพลงครับก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ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 ควันใจคนดีขอพิงน้องนาอยามพี่ห่างหัวใจแบ่งปันช่วยพน้องเก็บค้อมใจมิให้แปรพันเก็บความรักเก็บความฝัน พูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้นี่เราคงติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การเมืองต่างประเทศนี่การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานี่นะครับนะผลออกมาแล้วนะครับว่าในส่วนของโจไบเดนจากเดโมแครตเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งนะครับซึ่งนะมีการ จัด ก, กันเลือกตั้งแล้วก็ได้คะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้งไปนะครับนะคะแนนในขณะที่ประธานดีทํนะได้ไป214คะแนนซึ่งตรงนี้นี่ก็ในส่วนของในส่วนของผู้นำส่วนมากนะครับในระดับโลกแล้วก็ในส่วนของสื่อต่างๆก็ยอมรับว่าโจไบเด น, นชนะนะครับแต่ว่าในส่วนของ ทำนี่ก็ยังไม่ยอมยังจะไปฟ้องศาลอะไรต่างๆก็คงจะต้องดูกระบวนการไปอีกสักพักหนึ่งอย่างไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการถ่ายโอนอำนาจเนี่ยจะต้องให้เสร็จภายในวันที่20มกราคมศกหน้านี่แหละครับนะซึ่งถ้าโจไบเดนขึ้นมานี่นโยบายต่างประเทศนะการค้าการขายต่างๆเนี่ยนะครับนะก็จะเปลี่ยนไปมากเลยนะครับนะก็เพราะสองคนนี้นโยบายคนละคู่กันเลยทีเดียวโดยเฉพาะโจไบเดนนี่ก็จะ หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาแบบพหูภากีนะผ่านองค์กรการค้าโลกมากกว่าที่จะไปเป็นทวิพากีเพราะฉะนั้นในส่วนของประเทศไทยหรือประเทศอุดหนุยพัฒนาต่างๆเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์นะครับเพราะสหรัฐอาจจะผ่อนคลายนะครับแต่สงครามการค้ากับจีนนะครับแล้วก็อาจจะมีการมาเจราจานะครับในประเทศต่างๆ อนะาจจะคลี่ขายไปในทิศทางทีท่ีค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็จะอมองในทิศทางอย่างนั้นซึ่งก็จะการเปลี่ยนแปลงในสหรัฐนี่ก็จะส่งผลกระทบนะต่อประเทศอื่นๆประเทศเล็กประเทศน้อยแะครับนะที่ค้าขายกับสหรัฐนะครับนะเพราะฉนะนั้นตรงนี้นี่เราจะเห็นนะครับนะว่าการการเกิดสงครามการค้าสหรัฐกับจีนนี่ก็กระทบกับไทยเราไปด้วยแหละครับเพราะว่าทั้ง2ประเทศนี้เป็นมหาอำนาจนะครับนะเพราะฉนะนั้นยองราคาสินค้าอะไรต่างเนี่ยครับก็ จะได้รับผลกระทบนะเราจะเห็นว่าเราถูกตัดจนะีเอสไปแล้วนะในส่วนหนึ่งนะก็เรียกว่าภาษีการค้าเนี่ยนะครับนาะยกเว้นภาษีการค้าเนี่ยเราก็ถูกนะยกเลิกไปทําให้สินค้าเรานี่ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับนะที่ยังได้ GSP กับสหรัฐอเมริกาอยู่ตรงนี้นี่กระทบนะกับบ้านเราโดยตรงถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันนะไปอ แต่ว่าก็การค้าการขายนะการติดต่อกันยังเป็นสื่อสารกันทั่วโลกเลยทีเดียวต้องจับตามองแล้วครับว่าการเปลี่ยนแปลงในสหรัฐอเมริกานี่จะออกมาในในในรูปแบบไหนนะครับซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องติดตามดูในขณะเดียวกันนตอนนี้ราคาข้าวหอมมะลิข้าวชนิดต่างๆของไทยเเนี่ยราคาท่าวนี่ต่กว่ามาตรฐานมากเลยทีเดียวนะครับแต่ซึ่งตรงนี้นี่รัฐบาล ก็ต้องพยายามที่จะต้องแก้ไขปัญหาล้วครับนะจะต้องมีการจ่ายมีมาตรการประกันราคาข้าวนะจะทําอย่างไรนะครับต้องเร่งช่วยเหลือโดยด่วนแล้วชาวนามาเจอเกี่ยวกับเรื่องของฝนด้วยนะครับนะมีฝนช่วงมาแล้วก็มาทําให้ข้าวนะที่ยังไม่ทันเกี่ยวนี้ได้รับความชื้นนะราคาก็จะตกต่ําเพราะในตรงนี้นี่กระทบกันไปในในหลายส่วนเลยทีเดียวนะตรงนี้นี่คงจะต้อง มาช่วยกันเกี่ยวกับเรื่องของราคาพืชผลนะครับซึ่งจะมีผลโดยตรงกับเศรษฐกิจแหะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวไร่ชาวนาเกษตรกรนะครับถ้าราคาข้าวนะครับขายข้าวไปได้ราคาเนี่ยก็จะไม่มีเงินมาใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยทําให้ระบบเศรษฐกิจนี้ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะเพราะตรงนี้นี่คงจะต้องดูบวกกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้ในส่วนของ ฝ, ฝ่ายรัฐนะก็จะมีการาลุ่ม่วยเกี่ยวกับเรื่องของการที่ให้นักท่องเที่ยวบางประเทศนะได้เข้ามาเที่ยวในไทยเรามากขึ้นนะโดยเฉพาะาในโซนของเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับนะนะทำนองนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวได้ได้ไวแหละครับนะเพราะเศรษฐกิจของไทยเราอิง ก, กับการท่องเที่ยวกันมากเลยทีเดียวเพราะตรงนี้นี่คงจะต้อง จับตาดูมาตรการต่างๆที่ออกมาสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะขันบุรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลือสุโขทัครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดร์กุลธนานต้องขอลาท่านไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ สรรสสนนสส Globalization. สิ่งสำคัญก็คือการศึกษาความรู้หลากหลายวิชาคนหาในเว็บไซต์มากมาย ยาวชนดวนรู้จักคิดแย่ yeah. ชอบติงกันตรึงโง่หัวได้จง เืนมือ นีวิทยุกระจายเสียง